แต่ต้องไปตั้งใจวิรัตงดเว้นถึงจะมีผลมีอนิสงเราตั้งใจงดเว้นอย่างเดียวเราไม่ต้องขอเราไม่ต้องรับมีอนิสงเท่ากันเราขอแล้วเรารับแล้วเราไม่ตั้งใจไม่มีอนิสงถ้าเราตั้งใจมีผลมีอนิสงเพราะฉะนั้นใครอยากมีกายสะอาดวายจาสะอาดซึ่งมันมาจากใจสะอาด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 เห็นไหมทรมานด้วยทุกกระกิริยาทำมาไม่มีใครสามารถทำได้เท่ากับพระองค์ไปบำเพ็ญรูปปมบัตรอรูปบัติมาบาตรก็ทำให้พระองค์บำเพ็ญได้ในระยะเวลาที่รวดเร็วแล้วก็มาบาเพ็ญทุกกระกิริยาทุกกรกิริยาก็คือบำเพ็ญไปตามนั้นแหละไม่มีกิริยาใดที่ไปเกี่ยวข้อง ก, กับกับการเจริญทางด้านจิตใจมีแต่ไปทรมานกาย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 เป็นสัมมาสัมมาทิฏฐิเป็นสัมมาทิฏฐิไม่ใช่มิจฉาทิฏฐิสัมมาสัมมาสัมมาสัมมาสติมีสัมมาสติอยู่ในนั้นความสงบของเราเนี่มีสัมมาสติอยู่ในนั้นทำให้จิตได้รับความสงบสงบรออยู่กับอารมณ์มันเดียวพุทโธพุทโธหรือธรมโมธรรมโมธรมโมหรือเราจะมาเจริญมหาสติระลึกรู้กายตามดูกาย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 เราก็จะตลอมเข้ามาอยู่ในข้อปฏิบัติอยู่อย่างเงี้ยอยู่้วยอำนาจของความสงบจิตี่ได้รับความสงบนะเป็นจิตที่มีกำลังจิตจะมีพลังของความสงบมีสติมีสัมผััญญาที่สมบูรณ์มีความรู้พิเศษมีคุณณาพพิเศษมีความอัศจรรย์พิเศษมีความสุขพิเศษมีความสุขที่บริสุทธิ์มีความสุขที่สะอาดบริสุทธิ์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 แค่คุณสมบัติของมนุษย์มันก็ไม่เหมือนกันและมันไม่เท่ากันมันสังสมอบรมมาไม่เท่ากันอนี่เราใช้ปัญญาพิจารณาอย่างนี้เราจะเราก็จะเริ่มเห็นที่ไปที่มาของรูปรธรรมที่ไปที่มาของรูปรธรรมที่ไปที่มาของนามธรรมา <c oughs> เราเห็นเหตุเห็นปัจจัยอย่าง ท, ที่กล่าวนั่นแหละว่าเหตุปัจจัยเข้ามายคือดินน้ำลมไฟดินน้ำลมไฟจริงหรือเปล่าะดินน้ำลมไฟ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 เริ่มดําเนินมากไปขยับไปขยับไปขยับไปเรื่อยๆใช้ความสามารถขยับไปเรื่อยๆอ่แล้วสังเกตสังกาตัวเองเข้าไปเรื่อยๆขยับไปเรื่อยๆทําได้ต่อเนื่องเข้าไปเรื่อยๆอจนจนจนจ น, จนมีความเปลือกบัตอัศจรรย์ในหัวใจของเราถึงขั้นนั้นถึงระดับนั้นเราถึงจะได้ผลผลจากสมุทและก็ผลจากสิปัสนาอั น, นั้นคือผลปรากฏของธรรมะที่จะพึงเกิดขึ้นในหัวใจ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 ทำไปเรื่อยๆทำไปต่อเนื่องเอาชีวิตนี้เป็นเดิมพันคาว่าไอชี้นี่เป็นเดิมพันหมายว่าทาจากนี้ไปจนตายบางนั้นเถอะเพราะเราเห็นคุณค่าในการทำนอกจากนั้นแล้วถ้าหากเรายัางไปยังไม่พน้นวัฏสงสารยังยังจะต้องเกิดแก่เจ็บตายเราจะต้องได้คติที่ดีได้สุคติเป็นที่ไปในเบื้องหน้าเราไปด้วยความสว่างสวัยด้วยความปลอดโปร่งในหัวใจของเราเวลาปรโลก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 ความอยากมันดับมันดับเป็นชั้นเป็นชั้นเป็นชั้นเป็นชั้นเป็นชั้นอ่มันดับดับมาตั้งแต่พอพอพอพ อ, พอวิ ช, ชาคือความรู้มันเกิดตัวตัวที่ทําให้เกิดความรู้คืออะไรก็คือสติคือปัญญาตัวสติคือปัญญายิ่งมีโรูอยู่อยู่เท่าไหร่ อ, อวิ ช, ชามันก็เหือดแห้งหายไปไวิชามันก็เข้ามาแทนที่มันไปจําโรู้ในหัวใ จ, จของเราเอา่ในเมื่อมันโรูจนรู้ที่ไปรู้ที่ม า, ร, มารู้ดีละรู้ที่วางได้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 อเพราะศาสนาของพระเสียระยามไตรเป็นศาสนาของคนดีไปเกิดเราอาจจะไปไม่ได้ตั้งแต่นู่นกุกุสั ก, กุสันโธคนาํนานลกัสโปโคตโมก็ยังไปไม่ได้อ่ามันยังไปไม่ได้แต่เราไปไม่ได้แต่เราตั้งอกตั้งใจทําด้วยเรี่อแรงอย่างน้อยเหลืออีกองหนึ่งเราต้องได้ไปกับขบวนท่านแน่นอนเราไม่ต้องสงสัยเราทําอย่างนี้ก็สร้างกําลังใจให้กับเราเองแต่เราพยายามลิ้นรนให้สุดขีดหมดแดนอ่า บางทีบุญภาสนาที่เราเคยสร้างเคยทํามาเพียบพร้อมเห็นทุกเห็นทัเต็มที่เราก็สามารถผ่านไปได้พ้นไปได้ก<อ>็เหมือนอย่างในประเทศไทยของเราเราได้ยินได้ฟั ง, งองค์นั้นองค์นั้นองค์นั้นองค์นั้นอะถ้าสามารถผ่านไปได้พ้นไปได้แต่ก็ต้องขัดสีสีสีสีจนไฟลุกเล็บออกมา <ược so. S 2> ออริยธรรมเหล่านั้นเกิดขึ้นได้มีได้มีแต่เรียก ว, ว่าปัญญาปัญญาญานสามารถตัดกระแสเหล่านั้นให้ขัด ขาดไปได้ด้วยอำนาจของปัญญา